พอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจความอยากที่จะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทักชั่วคราวพอความอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทักตัวลงความทุกข์ก็จะดับไป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 เป็นที่พึ่งของเราดีกว่าเราอย่าไปพึ่งอะไรต่างๆเพราะบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้เวลาพึ่งไม่ได้ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็าอยากจะให้เขาเป็นที่พึ่งของเราต่อไปอต่เราไม่สามารถที่จะไป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 ทั้งในขณะที่เข้าไปในสมาธิและออกมาจากสมาธิเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรต่อไปใจพึ่งตนเองได้ใจอยู่ตามลาพังของตนเองได้ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเพราอใจสามารถผลิตความสุขขึ้นมาเองได้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 วันที่จะต้องดับไปปวดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะวควบคุมบังคับให้เขาเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลาถ้าไปฝากความสุขไว้กับสิ่งต่างๆเวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาดับไปเราก็จะเดือดร้อนนี่คือปัญญาที่เรา ต้องเอามาใช้กับความคิดของเราเวลาที่เราอยากจะไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาสอนว่าอยากไปพึ่งเพราะพึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องผิดหวังจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่เราหวังจะไปพึ่งนั้นเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปอยากไปพึ่งดีกว่า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 ให้ลืมานาคตให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้ามีสติมีกาลังแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะไม่คิดตุ่มแตกจะอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าใช้พุทโธก็จะอยู่กับพุทโธไปจนในที่สุดจิตก็จะรวมลงหรือถ้าใช้ลมหายใจ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 ให้อยู่ในอุบเบกขาไปเรื่อยๆให้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะถอยออกมาถอยออกมาสู่ความคิดปรุงแต่งถ้าถอยออกมาแล้วถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็ให้พิจารณาไตรลักษณ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรา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 ความผูกพันหรือมีพันธะกรณีที่เรายังปลดปื่องไม่ได้ก็ทำให้น้อยที่สุดทำเท่าที่จำเป็นแล้วก็ผันมาทำงานที่จะทำให้เราได้ดับความทุกข์และได้พบกับความสุขที่ถาวรต่อไปจะดีกว่าคือมาปิดที่เวก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 ถ้าเราปิดทวารทั้งห้าได้ด้วยการไปปีกวิเวกเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่ไม่มีแสงสีเสียงรูปเสียงเกิน่อนลดผลิภณ์ของป่าเขานี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะจะไม่เป็นสิ่งที่กิเลสตันหาชอบหรืออยากจะออกไปสัมผัสรับรูบร้ก็เหลือแต่ใจเท่านั้นที่ยังเป็นทางออกของตัญหาความอยากอ ย, กอยู่ ความคิดปรุงแต่งก็จะคิดไปในทางความอยากพอคิดแล้วถ้าไม่มีไม่สามารถดับได้ก็อาจจะพาให้ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากาฉั้นทวารที่หกนี้เราก็ต้องใช้สติเป็นตัวคอยปิดกั้นน้อยคอยหยุดความคิดปรุงแต่งเพื่อไม่ให้ไปคิดไปตามความอยาก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 คิดว่าปัญหาไม่ดีคิดว่าทุกอย่างเป็นไตรับ์คิดว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาคิดว่าทุกอย่างจะต้องให้ความทุกข์แต่ก็อดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจก็ต้องไปทาตามความอยากนะี่แหละ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 ต้องการจะทำใจให้สงบเมื่อไรก็ทำได้ไม่ใช่ว่ากว่าจะทำใจให้สงบได้นี่เกิขึ้นคอหรือไม่ไม่ได้ได้ไม่ได้ความสงบเลยอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเจริญปัญญาก็ได้จะเจริญก็ได้ไม่ไม่ว่าไม่ห้ามแต่ควรจะเจริญเพื่อนะครับ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 ต้องหวังเพิ่งตัวเราเองหวังเพิ่อทำที่เราจะผลิตขึ้นมาก็คือศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคำสอนของครูบาอาจารย์วิริยะความอุตสาหะภาคเพลียนเราต้องบังคับตัวเราเองให้ทำความเปลี่ยนกําหนดตารางกําหนดเวลาไว้พอถึงเวลาที่จะต้องทำก็ไม่มีข้อแม้ไม่มี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 จึงขอฝากเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสงบละดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลอันดีเลิศที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปุริปุเรนติสักรางเอวเนวะอิโตทินังเฟตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้าเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะามณีโชติ ภราสุยตาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตผวะตะวันตรายูสุขีทีขายุโกวภาภิวัตนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโสุขัง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 ผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตสาธุครับหลวงพ่อผมมีทำขอขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะครับทุกวันนี้ปฏิบททัติธรรมนั่งเจริญสมธาธิภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนากา็มองเรื่องของกายะาจะมีทุกทางกายามี มีมีความยึดติดกับกาย เ, เป็นตัวเป็นตนจากร่างกายทำให้เกิดความอยากความโลภความหลงแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็พยายามที่จะพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็พยายามวางกายแยกออกจากใจ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 จะปล่อยได้ก็อย่างที่บอกใจต้องมีอุเบกขาใจต้องมีความอิ่มความพอถ้ามีความอิ่มความพอก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับถ้าเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็าาไปงานเลี้ยงอย่างนี้ไปถึงงานเลี้ยงจะมีอาหารให้เรารับประทานหรือไม่รับประทานเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารับประทานไปก่อนแล้วเราไม่เด้ไปเพื่อที่จะไปรับประทาน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 มันอาหารมันน้อยไปหรือว่าปลายสายเขากินกันก่อนหมดแล้วก็ะจะเดือดร้อนขึ้นมาฉั้นใดเราต้องมีความสุขใจก่อนมีสมาธิก่อนแล้วเราก็จะปล่อยสิ่งต่างๆได้เพราะเราเอาศัยสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราแต่พอเรามีความสุขอยู่ในใจล้วแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆต่อไปก็ได้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 หยุดใช้ตาเพื่หาความสุขเช่นเรามีความสุขกับการดูนั่นดูนี่เราก็ต้องหยุดใช้หูฟังเพื่อความสุขก็เหมือนกันใช้จมูกดมใช้เิ่นสัมผัสกับรสใช้ร่างกายสัมผัสกับความรู้สึกผ่านมาทางร่างกายต่างๆถ้าเรายังใช้อย่างนี้อยู่ก็สแสดงว่าเรายังเพิ่งร่างกายอยู่ถ้าเราเพื่งร่างกายเวลาร่างกาย ไม่สามารถเป็นที่พึ่งเราได้เราก็จะทุกข์เช่นเรารู้ว่าเราจะต้องตายอย่างนี้หรือเราเป็นอมกพึกกัมมะพาสพิกรพิการไม่สามารถใช้ร่างกายให้ความสุขกับเราได้ถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราปล่อยถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยดังนั้นให้ดูที่ที่ความทุกข์เป็นหลักว่าเราทุกข์กับร่างกายหรือเปล่า ถ้าไม่ถูกก็แสดงว่าเราปล่อยหลวงพอครับถ้าเกิดว่าเราสอนใจแบบนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็เอามันมาเ อ, อค่อยๆค่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆอันนี้เรียก ว, ว่าเป็นการเจริญปัญญาอบรมสมาธิหรือเปล่าครับอาจารย์มันมันมันจะว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันใช้ในเวลาใด เราใช้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบมันคิดถึงเรื่องๆๆนี้เรื่องนี้เราใช้ปัญญาหยุดนใจให้เราจุดใจของเราไม่ให้ไปยุ่งไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าเราพิจารณาแบบทั่วๆไปนี้ก็พิจารณาเพื่อละตัณหาความอยากละอุปทานละความหลงที่ ย, ยึดติดร่างกายคิดว่าร่างกายนี้เป็น ตัวที่จะให้เรามีความสุขคือเราเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้นี่คือเรื่องของปัญญาเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางร่างกายเหมือนกับเราสมว่าเรามีคนรับใช้มารับใช้เราทํางานในบ้านเรา แตเ่เราไปรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนักนล็กขโมยน้อยอและมีประวัติไม่ดีเคยฆ่าคนอื่นมาแล้วฆ่าเจ้านายเมาก่อนแล้วรู้งนี้เราจะเก็บเขาไว้ในบ้านเราป่ะแล้วก็อาจารยใดก็ให้ดูร่างกายแบบนั้นว่า <c oughs> มันมันฆ่าเราแน่ๆนะร่างกายนี้มันมันจะทําให้เราทุกข์แน่ๆเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตาย ยันอยากไปเอามันถ้าทิ้งมันไม่ได้ก็อยู่แบบมีเกาะคุ้มกันเขามีมีปืนติดตัวไว้เวลามันโผล่มาก็ต้องคอยจับปืนเนาไว้ปืนของเราก็คือปัญญาอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังพึ่งเขาถ้ายังต้องใช้เขาก็เอาตามมีตามเกิดใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็กทาเองก็แล้วกันอ่า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 ขอพา อ, อาจารย์ช่วยอา่าเคราะห์ตอบด้วยค่ะสมาวานี้ก็เรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิเป็นเพราะที่เราต้องการให้มีอยู่นานๆเวลาเรานั่งสมาธิเพราะมันจะให้อุเบกขากับเราจะให้ความสุขใจอิ่มใจกับเราเพื่อที่เราจะได้มีปัญญาไปหยุดการพึ่งสิ่งต่างๆต่อไปเวลาจากสมาธิ เราก็ต้องมาสอนใจว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเพื่งนอะไรแล้วเพราะว่าเรามีที่เพื่งนแล้วมีความสุขแล้วมีความสมบมีความอิ่มแล้ ว, ลวเราอยากจะดื่มก า, ฟาแฟเราก็บอกไม่ต้องดื่มแล้วเวลาเราอยากจะดูทีวีก็ไม่ต้องดูแล้วเวลาเราอยากจะไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปสังสรรค์กันก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่ามันสู้ความสงบไม่ได้น่คือการ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 ให้เรากลับเข้ามาอยู่ในสมาธิอยู่กับความสงบอยู่กับอุเบกขาดีกว่านี่คืองานที่ต้องทำต่อไปเวลานั่งสงบแล้วก็นั่งให้มันสงบนานๆเพราะมันจะเป็นการเติมเติมอาหารระิมอุเบกขาเติมความอิ่มให้กับใจพอใจออกมาแล้วเวลาเกิดความอยากก็จะสู้ได้อยากจะดื่มก็แค่ว่าไม่ดื่มดีกว่าดื่มแล้วมันต้องดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด เวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ให้คิดอย่างนี้สอนใจอย่างนี้เวลาอยากจะไปดูก็ไม่ดูดีกว่าเวลาจะไปหาเพื่อนก็ไม่ไปดีกว่าเวลาอยากจะไปทำอะไรก็ไม่ทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่านั่นและคืองาที่ต้องทำต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณการเดือนกำจัน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 รู้สึกจะมีนิทานหรือเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธการที่มีพระเจ้าเป็นดินร่วมหนึ่งท่านกร า, กาควายเพราะควายมันมีผ้าเหลืองติดอยู่ที่เขาลุงน้องถามว่าท่านกร า, กาควายทําไมท่านบอกเราไม่ได้กราบควายเรากราบผ้าเหลืองสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้งที่เรากาบพระเราไม่ได้กราบคนที่เรากาดเรากราบสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์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 ถ้าไม่สนใจว่าจะเป็นภาพแบบไหนเมื่อท่านต้องต้องเจอพระท่านก็จะกราบท่านจะแสดงความเคารพเสมอต่อไปเป็นคำถามจากคุณบีหน้าบีกันหากเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีนิสัยไม่เกรงใจเราหยิบของของเราไปใช้หรือนำของของเราไปขายเราจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้ใจไม่ยึดติด และอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างเป็นสุขค่ใไอคิดว่าเป็นของของเขาก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าเป็นของของเราก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมถ้ า, า, าก็ไปแสดงว่าเป็นของของเขาเหมือน <c oughs> เหมือนเราเอาของวางไว้หมาท่าไปก็เป็นของหมาไปละถ้าอยากได้เป็นของเราเราก็ต้องล็อกใส่กุญแจไว้ <c oughs>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 ทำให้จิตใจเราย่ำแย่ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งเราก็จะมีความรู้สึกสุขมีความสุขใจอิ่มเอิบใจเพราะเรารู้ว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรา<ม>เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยยัง่งเวลาทำทานหรือทำอะไรเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเหตุผลของการกระทําว่าเราทำเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ ถ้าไม่รู้บางทีมันไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนพ่อแม่สอนเด็กสอนลูกให้ทาบุญพ่อแม่ก็บอกให้ลูตกตักบาตรตักบาตรถวายของพระมันก็ทำไปแต่มไม่รู้อะไรทำไปตามที่พ่อแม่สอ น, เ, อสอนอ เ, เพราะนั้นผู้ที่จะต้องการได้รับผลจากการกระทาก็ต้องรู้เหตุรู้ผลของการกระทาจึงจะเป็นจะต้องศึกษาว่าการทาทานนี้ทาเพื่ออะไร ทางศาสนา ก, ก็มีหลายเหตุผลด้วยกันทําเพื่อละความตหนรทาพระละความผูกพันกับสิ่งของที่เรามีมีอยู่ยึดติดกับเขาหรวงไม่อยากให้เขาหมดไปเราต้องยอมรับว่ า, วาชีวิตของคนเราใ น, นี้สุดเลยก็ต้องก็ต้องพลาดพลากจากของต่างๆที่เรามีถ้าเรายึดติดเราก็จะทุกข์มากถ้าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดเวลาจากไปเราก็จะจากอย่างมีความสุขเหมือนกับเวลาที่เราทำบุญแล้วเรามีความสุขตั้งๆ ท, ที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรอสูญเสียเงินทองส่วนหนึ่งไปแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับมีความสุขเพราะเรามีความยินดีเพราะเราอยากจะคลายความผูกพันความยึดติดความหวงในสิ่งที่ในที่สุดเราก็จะต้องจากเขาไป ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่ก็คือการทำบุญอีกอย่างก็คือทําเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นหรือทําเพื่อสร้างมิตรบางทีเราอยากจะดีเพื่อนเราก็เอาของไปแจกเขาให้เขาพอแจกเขาเขาเห็นคุณงามความดีของเราเห็นน้ำใจของเราเขาก็จะชื่นชมยินดีรักเราชอบเราดัางนั้นการให้นี่มันก็มี มีวิธีการหลายวิธีการทางศาสนาก็มีอย่างที่บอกให้ละละตันหาความอยากให้เกิดความเมตตากรุณาตันหาก็คือเวลาที่เราอยากจะใช้เงินไปซื้อของตามความอยากซึ่งมันไม่ได้ความสุขที่นานแต่กลับจะทําให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นเราก็เอาเงินนี้ไปทาบุญไปสงเคราะห์ผู้อื่นไปให้ผู้อื่น แทแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อก็จะทําให้เราตัดความอยากที่จะซื้อของต่างๆด้วยเงินทองได้ของที่ไม่จำเป็นเราก็จะทําให้เราเกิดมีความเมตตาคือมีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นมีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะรักษาศีลได้ถ้าเราไม่ทาทานเราคิดแต่จะเอาแต่ได้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 การอุทิศบุญนี้เราต้องทําบุญมีบุญก่อน mm hmm. เช่นวันนี้เรามาทําบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ที่เราทํานี้ให้แก่ผู้ที่รล่งรับไปแล้ว mm hmm. เขาก็จะได้รับ mm hmm. บุญก็คือความสุขใจอิ่มใจ mm hmm. ตอนที่เราขับวถเราเห็นสุนัขตายมันไม่ได้อิ่มใจสุขใจมันทุกข์ใจถ้า <laughs> เราอุทิศไปเราอุทิศความทุกข์ใจให้กับมัน <laughs> ข้อที่สาม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 และผู้ที่ก่อเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ใจก็คือความอยากต่างๆนี่เองเช่นอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ังใจก็เสียอกเสียใจก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ้าร่างกายตายตความทุกข์ใจมันก็ไม่ได้หมดไปเวลากลับมาเกิดใหม่มาเจอปัญหาแบบเดิมก็จะฆ่าตัวตายก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเ ป, เป็นเป็นวงจร อ, อุบาท ท่านบอกว่าฆ่าตัวตายแล้วก็จะต้องกลับมาค่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติเพราะมันจะเป็นวิธีที่เราทําถนัดไงเราเกิดถนัดแก้ปัญหาอย่างไรเราก็จะแก้อย่างนั้นดังนั้นโอกาสที่จะได้กลับกลับไปเกิดกลับมาเกิดแล้วปฏิบัติทำให้บรรลุมันก็จะยากเพราะเวลาเจอความทุกข์เจอความยากเจอความเสียใจก็จะค่าตัวตายแทนที่จะใช้ธรรมะมาข่มใจ ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนมีได้มีเสียเป็นธรรมดาถ้ามีธรรมะสอนใจมันก็จะยอมรับกับความสูญเสียได้รับกับความผิดหวังได้มันก็จะไม่ต้องฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเ ป, เป็นการต่อปัญหาให้ยาวไปเรื่อยๆภพชาติก็จะยาวไป แล้วก็เป็นภกชาติที่ไม่ดีเพราะการฆ่าตัวตายก็เป็นบาปก็ต้องไปตกนรกค่ะคำถามเหลืออีกตั้งห้าข้อค่ะหลวงพ่อไว้พวกนี้ได้ไหมคะเอาโอเคเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะเย็นนะลนะแล้วนะสี่โมงนะแล้ท่านอาจจะอยากต้องไปงั้นเอาวันนี้เอาเอาแค้งีิบกนะันนก็ขอยุตติการแสดงในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้่างในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ